บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปในยะแห่งประมวิหารทั้ง4ประการนั้นในชั้นของการปฏิบัติและการกำหนดระลึกเพื่อให้เกิดความสงบและความเข้าใจนั้นท่านอุปมาว่า เหมือนมันดาบิดามีลูกอยู่สี่คนลูกคนแรกยังเล็กลูกคนที่สองป่วยลูกคนที่สามศึกษาจบหรือหายป่วยลูกคนที่สี่ตั้งตัวได้เป็นหลักฐานมันดาบิดาย่อมมีความรู้สึกต่อลูกทั้งสี่คนนั้นด้วยพื้นฐานแห่งธรรมะที่แตกต่างกันลูกคนที่ยังเล็ก มารดาบิดาก็ใช้เมตตาคือความปรารถนาที่จะเห็นความสุขความเจริญเกิดขึ้นกับลูกลูกที่ป่วยมัรดาบิดาก็มีความรู้สึกต้องการที่จะเห็นลูกหายจากป่วยลูกที่หายป่วยและลูกที่ศึกษาสําเร็จเป็นต้นนั้นมารดาบิดาก็มีมุจิตตาคือชื่นชมยินดีในการหายป่วย และการประสบความสาเร็จของลกูกแต่ว่าลูกที่ตั้งตัวได้เป็นหลักฐานมันดาบิดาก็มีความวางใจสามารถทำใจให้อยู่ในท่ากลางที่เรียกว่าอุเบกขาได้อุเบกขาโดยรูปสับแล้วแปล ว, ว่าการเข้าไปเพ่งดูเป็นการใช้ปัญญาขบเจาะพินิพิจารณาถึงจุดแต่ละจุด ถึงเรื่องแต่ละเรื่องที่บังเกิดขึ้นเมื่อมองเห็นว่าไม่อยู่ในวิสัยที่จะใช้เมตตากรุณามุจิตาได้ก็ใช้อุเบคาโดยการพิจารณาให้เห็นถึงความจริงตามกฎของกรรมอย่างที่สุดกันในชั้นการปฏิบัติทั่ ว, วไป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 เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกทางจิตใจก็จะมีอยู่สองฝ่ายคือฝ่ายที่เราชอบกับฝ่ายที่เราชังพูดถึงสำนวนธรรมะท่านก็เรียกว่าเกิดจากอำนาจของราคะกับโทสะในกรณีที่บุคคลซึ่งเราชอบที่เรียกว่าปีญชนนั้น ถ้าหากว่าไม่ทำใจให้สงบด้วยเบคาก็จะเกิดความโทมนัสเสียใจเมื่อปิชชนคนที่รักของเราประสบความพิบัติเพราะกรรมของเขาคือเพราะการกระทำของเขาเองแต่ในกรณีที่คนซึ่งเามีโทสะคือไม่ชอบประสบความพิบัติบุคคลจะมีความรู้สึกซ้าเติมรู้สึกพอใจยินดี ในความพิบัติเหล่านั้นซึ่งแต่ละอย่างนั้นเป็นการเพิ่มทุกข์เพิ่มกิเลสให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนอุเบขาในชั้นการปฏิบัติจึงหมายถึงการทำใจให้สงบอยู่ในท่ำกลางที่ท่านใช้คำว่าอุเบขาคือความวางเฉยไม่มีความยินดีและความยินร้ายเมื่อบุคคลอื่นประสบความพิบัติ แต่ในกรณีนี้หมายถึงความพิบัติที่เกิดขึ้นเพราะกรรมคือการกระทํของเขาเองประการหนึ่งเป็นความพิบัติที่เราได้ช่วยเหลือลงไปเต็มที่แล้วแต่ก็ไม่อาจจะช่วยเหลืออะไรได้รือว่าช่วยได้เพียงเล็กน้อยถ้าหากว่าจิตใจขืนเอื้อมไปอีกก็จะกลายเป็นโศกะคือความโศกซึ่งเป็นค้าสึกใกล้ชิดกับกระดุนาอย่างที่เคยกล่าวมาแล้ว แต่ถ้าหากว่าไปเกิดจินรารกิเลสสายปฏิฆะคือความไม่พอใจความโกรธก็จะบังเกิดขึ้นตกลงว่าทั้งสองทางนั้นไปไม่ได้เเมื่อไปไม่ได้ก็ต้องทำใจให้อยู่ในท่ากลางคืออุเบกขาดังกางหรือยกตัวอย่างที่เพึ่งเห็นได้ง่ายๆในชั้นของการปฏิบัติในชีวิตประจาวันนั้น ในกรณีที่มิตรและศัตรูของเราประสบความพิบัติเพราะไปทําผิดอาญาแผ่นดินข้าทุกทางบ้านเมืองจับคุมลงตัดสินลงโทษไปตามสมควรแก่โทสานุทโท ษ, โนโทษในกรณีเหล่านี้สำหรับคนที่เรารักก็ปรารถนาที่จะให้เขามีความสุขความเจริญในคุกไม่ได้หรือต้องการที่จะให้เขาหลุดพ้นจากคุกก็ทาไม่ได้ ยิ่งไปแสดงมุทิตาคือชื่นชมยินดีกับการที่เขาติดคุกยิ่งทำไม่ได้ใหญ่ในกรณีนี้เองจึงต้องใช้อุเบกขาสำหรับคนที่ประสบความพิบัตินั้นเป็นคนที่เราไม่ชอบถ้าเราใช้เมตตาแผ่ไปเนื่องจากจิตใจมีเชื้อของโทสะอยู่มากแผ่ไปไม่ได้จะ เพราะวาความรู้สึกเจ๋วัยตัวโทสะคือโทสะจะเกิดขึ้นแทนที่จะเป็นเมตตาส่วนกรุณานั้นยิ่งทําไม่ได้เลยมุติตาก็ไม่ต้องพูดกันดังนั้นจึงต้องใช้อุบเบกขาในกรณีนี้รูปมาที่เป็นรูปประทันั้นเพื่งเห็นว่าก็เหมือนกับห้องกับบ้านอย่างที่เคยอุปมาให้ฟังว่าที่ห้องที่สาคัญก็คือบ้านทั้งบ้าน ห้องรับแขกห้องนา้าห้องครัวห้องนอนเมื่อเสร็จภารกิจจากเรื่องอื่นทั้งหมดคือการใช้ห้องอื่นไปตามควรแก่กรณีนั้นเสร็จไปแล้วคนก็ต้องนอนเป็นการปฏิบัติในลักษณะเคลื่อนไหวไปให้เหมาะให้ควรแก่กาละแก่โอกาสนั้ น, น, นแต่ในชั้นของการทำหน้าที่กำจัดนั้นข่าศึกที่ใกล้ชิดที่สุด ของอุเบกขาก็คือว่าราคากับโทสะดังกล่าวแล้วคือความชอบกับความชังนะครับซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้จิตใจของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปตามอานาจของบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องถ้าไม่สามารถคุมใจได้เยชนคนที่รักประสบความพิบัติก็เกิดสศกคนที่เราไม่ชอบประสบความพิบัติก็เกิดสะใจสมใจ ตังนนุนเบคาที่เกิดขึ้นจึงต้องสามารถขจัดความรู้สึกทั้งสองสายนี้ออกไปได้และมีค่าศึกที่จะต้องขจัดอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของอาคติได้แก่ความรู้สึกลำเอียงเพราะอาศัยความผูกพันกั น, ก น, นมมกเป็นการส่วนตัวบ้างความไม่ชอบกันเป็นการส่วนตัวบ้างหรือความกลัวอำนาจราชศร์ของเขาบ้าง และความหลงคือไม่เข้าใจเหตุผลอคติทั้งสามประการนี้มักจะทำจิตใจของบุคคลให้แกวงไปด้วยอำนาจของเขาคือขึ้นอยู่กับว่าอคติข้อใดบังเกิดขึ้นก็ทำให้แหวงไปตามอำนาจของอคติเหล่านั้นจิตใจของบุคคลจึงไม่สามารถที่จะย่างลงสู่อุเบกขาได้อุเบกขาจึงมีความเป็นกลางของจิตเป็นอารมณ์ ตั้งความรู้สึกหรือมีความรู้สึกที่จะเห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมของตนดังนั้นในชั้นของการปฏิบัติในรูปของกรรมฐานจริงๆท่านจึงแสดงว่าจะต้องผ่านการปฏิบัติจากเมตตากรุณามมทิตามาก่อนจนจิตใจมีความสงบเป็นสมาธิตั้งมั่นและเดินไปตามลำดับ คือความประนีตในชั้นของจิตจะประนีตขึ้นเรื่อยๆจากความสงบชั่วขณะเป็นความสงบเพิ่มขึ้นและเป็นความสงบที่แท้จริงจิตใจในขณะนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยอำนาจอารมณ์ของฌา์คือจะมีปิติมีวิตกความตรมีวิจารความตรองมีปิติความอิ่มใจมีสุขคือความสบายกายสบายใจ ้มีเอกกตตาคือจิตสงบเป็นสมาธิแล้วปฏิบัติต่อไปจนวิตกวิจาร์คือความตึกสองหายไปยังเหลือแต่ปีติความอิ่มใจสุขสบายกายสบายใจและเอกกตตาคือสมาธิปฏิบัติผ่านไปอีกชั้นหนึ่งจนยังเหลือแต่ปีติดับไปยังเหลือแต่สุขกับสมาธิพอถึงชั้นที่ส่แม้ความรู้สึกว่าเป็นสุขก็หายไป อุเบกขาบังเกิดขึ้นตอนนั้นในช่วงขั้นที่สกับขั้นที่สนี่เองที่เป็นบันไดให้บุคคลใช้จิตที่ประกอบด้วยเบกขาพรหมิหารหรือเบกขาที่เรียกว่าอัปปมัญญาขึ้นมาในการสร้างความรู้สึกแผ่ไปนั้นท่านสอนให้เริ่มต้นที่บุคคลซึ่งเรารู้สึกเป็นกลาง ซึ่งกำลังคือไม่ถึงกับชอบแต่ก็ไม่ถึงกับชังทำไมจึงไม่ให้แผ่ไปในคนซึ่งเรารักก่อนด้วยเราไม่ชอบก่อนข้อนี้ท่านบอกว่าเมื่อสร้างความรู้สึกแผ่ไปในคนที่เรารักมันก็เป็นความรักอยู่นั่นเองไม่กลายเป็นอุเบกขาถ้าแผ่ไปในคนที่เราชังก็จะเป็นความชังนั่นเองไม่เป็นอุเบกขาจึงสอนให้ เริ่มแพ่ไปในคนที่เรารู้สึกกลางๆเสก่อนเพราะดังที่กล่าวมาแล้วว่าถ้าเราชังก็จะเกิดโศกถ้าถ้าเรารักก็จะเกิดโศกถ้าเราชังก็จะเกิดความซ้าเติมหรือความสะใจในความพิบัติเหล่านั้นแต่สมหรับคนที่เรารู้สึกกลางๆนั้นก็ไม่เคยมีความรู้สึกอะไรฝังใจรุนแรงมาก่อนการที่มองเห็นคนเหล่านั้น เป็นไปตามกฎของกรรมจึงทำได้ง่ายข้อนี้เพิ่งเห็นว่าคราวคราวเป็นดันมากที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆของโลกและแม้ในประเทศไทยถ้าหากว่าบุคคลเหล่านั้นเราไม่ได้รู้จักไม่ได้เกี่ยวข้องกันทั้งสองด้านคือด้านชอบและด้านชังในขณะนั้นสามารถใช้ปัญญาพิจารณาเห็นกฎแห่งกรรมได้ชัดเจนมาก สามารถอาาธิบายได้สามารถทำใจให้สงบได้โดยไม่ว้าวุ่นสับสนแต่ประการใดซึ่งตัวอย่างเหล่านี้ผู้ปฏิบัติธรรมะก็สามารถสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันจากอ่านข่าวคราวในหน้าหนังสือพิมพ์เนื่องจากคนเหล่านั้นเราไม่เคยผูกพันทั้งชอบทั้งชังมาก่อนการพิจารณาตามกฎแห่งกรรมจึงพิจารณาได้ง่ายแต่เมื่อพิจารณาไปจนจิตใจมีความมั่นคงดีแล้ว ต่อไปท่านสอนให้สร้างความรู้สึกที่เป็นอุเบกขาแม้แต่คนที่เป็นปีชุนคือคนที่เรารักแต่ก็ไม่ใกล้ชิดจนเกิดไปเพราะว่าคนเหล่านั้นความรักเองก็ไม่มากความชังเองก็ไม่มีเมื่อเขาประสบความพิบัติเราสร้างความรู้สึกที่เป็นอุเบกขาแพ่ไปก็สามารถทาใจให้อย่างลงในกฎของกรามได้ คือพิจารณาความที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนได้พอมาถึงจุดนี้เมื่อจิตใจมีความมั่นคงดีแล้วก็วให้แผ่ไปแก่คนที่เรารักอย่างยิ่งเช่นบุตริดาสามีพันยามันดาบิดาเป็นต้นทำไมอุเบกขาจึงเลื่อนชั้นท่านเหล่านี้มาอยู่ในราดับสามก็เป็นเรื่องที่ทำใจได้ยาก เนื่องจากความรักความผูกพันมีลักษณะที่เหนียวแน่นมากเวลาท่านประสบความพิบัติข้าจริงๆมักจะทำใจไว้ไม่ได้คือมักจะตกไปในด้านของความโศกมากกว่าที่จะเป็นอุเบกขาแต่เนื่องจากใจได้ปรับมาสองชั้นแล้วคือจากคนที่เป็นกลางๆงคนที่รักไม่มากนักความเข้มแข็งทางใจเหตุผลทางใจนั้นได้เกิดขึ้นมากแล้ว พอมาถึงคนที่เรารักยิ่งที่ท่านใช้คําว่าอติปิยะคือมีความรักอย่างจริงซึ่งหมายถึงใกล้ชิดมากเวลาท่านประสบความพิบัติก็ทําใจได้การทําใจในลักษณะนี้อาจจะเป็นการทําใจในชั้นของการเตรียมใจหรือในชั้นที่เอกการบังเกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นก็เป็นการทําได้สองช่วง เมื่อสามารถทำแก่คือแผ่ไปแก่ปียชนที่เรารักยิ่งได้แล้วต่อไปก็แผ่ไปแม้แก่คนที่เป็นข้าศึกคือคนที่เราไม่ชอบอยู่เป็นเพื่อนมีความรู้สึกเป็นศัตรูจิตใจนั้นได้ผ่านการใช้เหตุผลซ้ำซ้อนมามากในชั้นนี้จึงสามารถสลายความรู้สึกไม่พอใจหรือความไม่ยินดีออกไปได้ จิตใจก็จะมัธยัตยิอยู่ในถ้ำกลางได้ทั้งหมดเลยบุคคลที่เกี่ยวข้องในชีวิตของคนทั้งหลายก็มีอยู่สี่กลุ่มอย่างนี้เมื่อสามารถสร้างความรู้สึกแผ่ไปได้ทั้งสี่กลุ่มความรู้สึกของบุคคลก็พร้อมที่จะเคลื่อนไหวไปในจุดนั้นๆคือทั้งที่เป็นเมตดในจุดที่ควรใช้เมตตาก็ใช้เมตตา ควรใช้กรุณาก็ใช้กรุณาควรใช้อุเบกขามุทิตาก็มุทิตาควรใช้อุเบกขาก็ใช้อุเบกขาได้แต่ว่าการปฏิบัติในลักษณะนี้จะดูถึงขั้นตอนต่างๆแล้วคล้ายๆจะทำไม่ค่อยยากนะแต่ก็จริงแล้วบุคคลจะสังเกตได้ว่าถ้ากำลังของธรรมะอ่อนคือมีไม่มากพอแล้ว โอกาสที่จะทำใจให้อยู่ด้วยอุเบกขาเป็นเรื่องที่ทำได้ยากจริงดังนั้นจิตใจของผู้ปฏิบัติที่จะใช้ในชั้นของอุเบกขาพรหมิหารจริงๆคือชั้นที่เป็นกรรมฐานนั้นจึงต้องผ่านรูปฌานดังกล่าวแล้วมาก่อนถ้ายังไม่ผ่านก็ต้องอาศัยชั้นของพรหมิหารสามัญที่เรียกว่าใช้ในชีวิตประจาวัน ซึ่งในกรณีนี้ก็ต้องอาศัยบทสวดที่กล่าวแล้วนั่นเองเวลาเหตุการณ์อะไรก็ตามบังเกิดขึ้นเป็นความผิปัติเป็นความเดือดร้อนของคนและสัตว์ทั้งหลายในกรณีที่เป็นเรื่องของกรรมจะต้องพยายามปลูกฝังความคิดให้สัมพันธ์กับกฎของกรรมให้ได้อย่างน้อยมีความรู้สึกว่าเป็นกรรมของเขาเขาเป็นไปตามกรรมของเขาแล้ว เนื่องจากเขาทำความไม่ดีเอาไว้หรือความผิดเอาไว้ก็รับผลของกรรมนั้นหรือแม้แต่คิดว่าเป็นกรรมของเขามีลักษณะคล้ายๆกับอนุสติคือคิดอยู่บ่อยๆได้ยินข่าวก็ใจวิ่งเข้าหากฎของกรรมได้หยุดสม่ำเสมอเป็นการเพราะเชื้อของธรรมะคือเบิกขาวไว้ภายในใจเวลาเกิดเหตุการณ์กับบุคคลทั้งสองฝ่ายดังกล่าวแล้ว พลังจิตใจของบุคคลก็จะมีกาลังเข้มแข็งพอที่จะให้เกิดอุเบกขาได้คือไม่เกิดทั้งความสุขและไปซ้าเติมบุคคลทั้งสองฝ่ายดังกล่าวนั้ น, ร น, นเรื่องของธรรมะจึงเป็นเรื่องที่จะต้องทำบ่อยๆต้องคิดบ่อยๆต้องกระทำให้มากอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าภาวิตาภูริกตา ต้องอบรมกระทำให้มากอบรมกระทาให้มากเป็นการกระทำในลักษณะที่ซ้ำซ้อนคิดซ้ำซ้อนปฏิบัติซ้ำซ้อนจึงจะมีเชื้อเพิ่มขึ้นภายในจิตใจข้อนี้พึ่งเห็นได้ว่าบางครั้งบางคราวแม้แต่จะได้มีการศึกษาในด้านพระปริยัติด้วยการอ่านตำหรับตำราด้วยการสดับสับฟังและแม้ด้วยการปฏิบัติ บ, ต บ, ตบางอย่าง พอเพราะออก็จริงแล้วก็ทำใจไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในยามที่เกิดพลัดพลากเพราะความพิบัติเพราะกรรมใจจะต้องแกว่งไปในสองด้านอยู่เสมอถ้าเป็นเปียชนคนที่รักก็เกิดโศกร่ำไรรำพันด้วยประการต่างๆถ้าคนที่ไม่ชอบก็รู้สึกชื่นชมยินดีที่ศัตรูประสบความพิบัติไปไม่จะแกว่งไปอย่างนี้อยู่เรื่อย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของคนที่รักอย่างยิ่งที่เรียกว่าเพียชนใกล้ชิดมีพ่อแม่ลูกเป็นต้นคนเหล่านี้พอประสบความที่บาเข้าวบางครั้งบางคราวนั้นคนที่ยังมีชีวิตอยู่คือยังปกติอยู่ก็เกิดเปลี่ยนแปลงไปทางจิตด้วยและมีอยู่ไม่น้อยบางคราวก็เป็นการเอื้อม คือไขา่คว้าอนาคตมาวิตกกังวลมาสร้างความทุกข์โทมนัสให้บังเกิดขึ้นแก่จิตใจเพราะเป็นห่วงเป็นใยถึงความผิบัติในด้านต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นแก่ปีชนคนที่รักของตนแต่ถ้าหากว่าบุคคลได้หยุดคิดหยุดพินิษฐ์พิจารณาโดยกฎของกรรมแล้วก็จะมองเห็นว่าทุกชีวิตย่อมเป็นไปตามกับ เมื่อถึงคราวที่มาถึงเข้าแล้วไม่มีใครสามารถที่จะหลีกเลี่ยงผลแห่งกรรมที่ตนกระทำไปได้แม้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งทรงละบาปบุญที่เป็นปัจจุบันได้แต่ว่าบาปบาปบุญที่ทรงกระทำไว้ในอดีตก็ยังอำนวยผลให้พระองค์ในช่วงจังหวะชีวิตครั้งแล้วครั้งล่า การที่ถูกนางกินจะนมานาวิกาใส่ร้ายก็ดีการที่ถูกพระเทวทัตกลิ่งขินลงมากระทบประบาทก็ดีทรงเชื่อเห็นว่าเกิดจากผลของอกุศลกรรมที่เคยกระทําเอาไว้ในชาติก่อนๆทั้งนั้นคนขนาดพระพุทธเจ้ายัางไม่สามารถตีกเกลี่ยงกับที่เคยกระทํามาในอดีตได้นับประสะราอะไรกับสามัญชนทั่วๆไป จะไปลีกเลี่ยงผลกรรมเหล่านั้นได้ค้อนี้ตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดถึงผลกรรมซึ่งเมื่อถึงคราวจะเกิดนั้นต้องเกิดแน่นอนได้แก่กรรมที่เกิดขึ้นแก่พระโมคคลานะเทระซึ่งเป็นกรรมในอดีตที่ไกลเหลือเกินท่านได้เคยทุบตีมารดาบิดาของท่านจนได้รับบาดเจ็บและผลกรรมนั้นก็มาสนองท่าน จนถูกโจรทุบกระดูกแหลกคือเรียกว่าเกือบนิพพานไปทีเดียวแต่เนื่องจากท่านไม่ตีพ่อแม่จนถึงตายบาปรกรรมนั้นจึงไม่แรงจนถึงกับท่านต้องตายไปแต่ว่าด้วยความเจ็บปวดนั่นเองก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่านต้องนิพพานนี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าการอาศัย ความเข้าใจการยอมรับเงื่อนไขของกรรมเป็นหลักที่สําคัญมากในการดํารงชีวิตประจำวันของบุคคลถึงโอกาสที่จะต้องใช้อุเบกขาจําเป็นจะต้องใช้อุเบกขาให้ได้เพราะถ้าหากว่าเมื่อคราวที่ใช้อุเบกขาแล้วยังไม่ใช้อุเบกขาไปดิ้นรนเพื่อจะแสดงเมตตาบ้างกรุณาบ้างมุติตาบ้าง ย่อมชื่อว่าไม่เป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่เป็นการปฏิบัติที่ได้ชื่อว่าชอบยิง่งและไม่ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติตามธรรมเมื่อเป็นเช่นนี้สรุปรวมว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมมาผลที่จะพึงเกิดขึ้นจากธรรม ก, ก็มีไม่ได้ส่วนในชั้นของกรรมฐานนั้นก็ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า จะต้องพยายามปรับใจขึ้นไปอาศัยขั้นตอนของสมาธิที่ผ่านเมตตากรุณามุทิตาก็ใดข้อหนึ่งมาจนจิตใจมีความสงบแล้วกำลังของอุเบกขาจึงจะแผ่ไปได้ชัดเจนอุเบกขาในชั้นนี้จึงเป็นชั้นที่สร้างความรู้สึกแผ่ไปในแต่ละจุดเพราะท่านเรียกว่าพรหมวิหารแต่ข้อที่ไม่พึงลืมก็คือว่า ธมะทั้ง4ข้อนี้มีอยู่สองระดับระดับแรกเป็นพรหมปิหารดังกล่าวแล้วแต่ระดับที่สองนั้นองค์ธรรมะเหมือนกันแต่การสร้างความรู้สึกแผ่ไปนั้นไม่เหมือนกันเป็นการสร้างความรู้สึกแผ่ไปในรูปที่เราเรียกว่าสเพสิตาคือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอย่างบทที่สวดกันว่าก่อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันให้อยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนนี่ก็คือการแผ่เมตตาข้าศัตร์ทั้งหลายทั้งปวงจงหลุดพ้นจากทุกข์เถิดนี่ก็เป็นการแผ่กรุณาข้าศัตร์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีสุขอยู่ในสมบัติอันตนได้แล้วเถิดเป็นการแผ่มมจิตา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 จนจิตใจพร้อมที่จะมีอุเบกขาต่อความพิบัติของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะกรรมของเขาไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นคนที่เรามีความรู้สึกเป็นกลางๆงมีความรักใคร่สนิทสนมหรือมีความรักอย่างยิ่งและแม้แต่คนที่เป็นศัตรูในทิศทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบนืบ้องสูงเบืบ้องต่ำเบื้องความที่ทรงใช้คําเช่นเดียวกับข้ออื่นๆดังกล่าวแล้วคือแผ่ไปในทิศทั้งหลาย การปฏิบัติธรรมคือพรหมบิหารทั้ง4ประการนี้จึงมีขั้นตอนที่จะอํานวยประโยชน์ให้ทั้งในชีวิตประจำวันได้ชื่อว่าเป็นเรือนใจของผู้ครองเรือนหรือผู้ครองชีวิตถ้าใช้เหมาะใช้ควรแก่โอกาสนั้นๆก็เป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในชั้นของสมาธิสามารถดำเนินไปได้โดยลำดับคือจากสมาธิอย่างอ่อน จนถึงสมาธิที่มั่นคงและก้าวไปจนถึงรูปาวจรสานคือได้แก่รูปปัจฉานทั้งสประการดังกล่าวผลอานิสงส์จึงบังเกิดขึ้นได้ทั้งในชีวิตปัจจุบันและผลที่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้จิตใจมีความสงบมีความสะอาดและพร้อมที่จะก่อให้เกิดเป็นปัญญาพิจารณาเห็นนามรูปตามพระจัยลักเช่นเดียวกับ สมถะกรรมฐานข้ออื่นๆต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อ